ชิดมา่ก่อนว่ามันจะเปเรียนรู้เพื่อไปประสบการณร์แต่ว่ามันเกิดประสบการณ์ขึ้นมาเองว่าถ้าเร า, าปฏิบัติแล้วก็เปลี่ยนที่บ่อยๆเนี่ยมันไม่ก้าวหน้าเพราะอะไรนาะเราก็มาพิจารณาโอ้คือนึกถึงว่าเวลาชาวสวนปลูกต้นไม้เอามาเป็นคนชอบปลูกต้นไม้พอปลูกต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ต้นไหนที่ถูกย้ายบ่อยๆต้นนั้นมาจบจะไม่โต แต่ต้นไม้ตัวไหนที่ปลูกลงไปแล้วครั้งแรกมันติดแล้วติดเลยต้นไม้ก็จะเติบโตไป็ร่มเป็นเงาใหญ่โตเพราะว่ามันไม่ได้รับผลกระทบในการโยกคลอนแล้วการลากที่มันลงแล้วมันลากนั้นเหมือนย้ายต้นไม้ก็เหมือนการแต่งงานครั้งที่สองย้ายครั้งที่สามก็เหมือนการแต่งงานครั้งที่สามแต่งงานครั้งที่สี่ที่ห้าคือย้ายห ล, หลายๆที่นะคร แล้วก็มานึกถึงโอ้การปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติที่ตรงนี้ก็สี่นาทีแล้วก็ย้ายไปอีกสี่นาทีย้ายไปอีกสีนาทีย้ายไปย้ายมาต้นไม้ต้นน้ําไป็นไงเฉาตาย <c oughs> มันไม่มีโอกาสได้ลากมันไม่มีโอกาสได้อย่างลากลงไปดูดน้ําดูดปุ๋ยดูดอันนี้ได้นาน <c oughs> เอาก็มานึกถึงว่าชีวิตคนกับต้นไม้ก็ไม่ต่างกันในแง่ของธรรมชาตินะแต่มันต่างกันได้ว่ามันอันหนึ่งมันเป็นชีวะอันหนึ่งเป็นเป็นชีวิตออันหนึ่งเป็นไอ้บีอิง อันหนึ่งมันเป็นไลฟ์ท่านั้นเองก็เลยอ๋ออันนี้เป็นประสบการณ์หลังจากนั้นเราก็เลยต้องอยู่กับที่อันนี้เป็นประสบการณ์ว่าทําไมจึงไม่อยากจะให้นักปฏิบัติย้ายที่บ่อยเพราะอันนี้คือธรรมชาติแต่ในกรณีที่ว่าจิตของเราเนี่ยถ้าเราจะตามมันนะมันย้ายทุกนาทีแหละมันย้ายได้ทุกนาทีแหละถ้าเราจะตามมานะันนะอนั้นสืกจิตในร่างกายชีวิตของเรามันจะมีสองอย่างอันหนึ่งมันเสถียรคงที่อันหนึ่งมันมูฟตลอดเวลา ภาพของแวนโกอกเนี่ยเมื่อหลายร้อยปีมาใครจะไปคิดว่าแกวาดดวงดาวไม่เหมือนเพื่อนดวงดาวของแกเนี่ยจะหมุนในตัวเองอยู่ทุกดวงแต่ว่านักวาดปัจจุบันไปเห็นว่าเมื่อก่อนไม่มีใครเห็นด้วยกับแกว่าดวงดาวแล้วแกวาดดวงดา ว, ด ว, ดาวอยู่ต่ำกวต้นไม้ต้นไม้มันสูงกว่าดวงดาวเมื่อสมัยของแกก็ไม่มีใครเห็นด้วยกับแกแต่มาเดี๋ยวนี้ที่สูจน์ว่ามันปเป็นอนยะ่นันจริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์ว่าไอ้แวนโก๊กเนี่ยมันรู้ได้ยังไง ภาพมันเขียนมาเป็นพันพันปีแล้วแต่มันยังมันยังเป็นจริงอยู่เขาก็อธิบายในแง่เดียว่าต้นไม้เนี่ยมันเจริญเติบโตตลอดเวลาแต่ดวงดาวมันเคยอยู่ในตำแหน่งโคจรหน้ไหนมันก็อนั้นเป็นพันพันปีมันเคยไม่เคยออกจากวงโคจรได้ใ่ไแต่ต้นไม้ความเจริญเติบโตนั้นมันสามารถออกจากวงโคจรได้อันนี้นะเหตุผลของเขานะ แล้วก็ดวงดาวมันหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาก็หมายความว่าตัวเราแต่ละคนคือดวงดาวที่การมูบระหว่างไอคอนต้องฟิสิกของพลังงานในอ่างการของเรามันมูบไนตัวเองตลอดเวลาคนหนึ่งก็คือดาวดวงหนึ่งเองนโฟจ u n นรี่แกร์ไอโฟเกตไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแล้วก็สว่วนเช้าเหตุการณ์ก็คือก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกัน นักปฏิบัติธรรมเราคนนึงที่ชอบย้ายที่เอามาถามว่าถ้าคุณจะเกิดเป็นต้นไม้เนี่ยต้นไม้มีสองประเภทคือต้นไม้ล้มลุกกับต้นไม้ยิงต้นถ้าคุณจะเรียกเกิดเป็นต้นไม้คุณจะเรียกเกิดเป็นต้นไม้ประเภทไหนเขาบอกประเภทยิงต้นนะเอาตอนนี้คุณกาลังทํำตนเป็นต้นไม้ล้มลุกกับคุณจะเป็นต้นไม้เขาก็เลยเก็ตนะแต่ไม่รู้เราเขาอยู่กับที่ได้ด่านหรือเปล่านะเพราะนั้นมีสองกรณีนะคุณย้ายคุณต้นไม้คุณบ่อยๆคุณไปเจริญแน่ในกรรมฐานของคุณ แต่คุณลักที่จะเปขึ้นไ่วคุณต้องอดทนหน่อยอยู่กับที่อะไรถึงกิดขึ้นก็นตามแดดจะออกฝนจะลงลมจะพัดคุณไม่ต้องหนีคุณต้องสู้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วคุณจะเติบโตและแข็งแรงแต่ถ้าคุณหลบแดดหลบฝนหลบลมแล้วคุณไม่เติบโตอันนี้คือธรรมชาติอันนี้เป็นประสบการณ์นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าย้ายที่บ่อยก่อนจะย้ายร้องไห้ก็อยอมสักชั่วโมงหนึ่งฉันจะอยู่ฉันตรงเนี้ยมึงอยากไปก็ไปดิ สู้มันจนน้ําตาไหลโรคไหลเล็ดไหลห ล, หลอดก็ต้องยอมเอามันานขณะนั้นกิเลส จ, จะไปสงสารมันนะอันนี้เราสงสารกิเลสมันอ่อนบอนจะไปหน่อยใจอ่อนแล้วมันน อ, อนฟอนจะไปต้องขึ้นใจอ่อนแล้มันก็เสด็จวันเท่านั้นแล้วเมือ่อไหร่กรรมาถามมันจะโตล่ะนะอันนี้ก็ได้เคสหนึ่งที่เชา้าเช้าแล้วมาก็เดินไปหน่อยหนึ่งตามครองไปดูว่าน้ําจะไปถึงไหน หลุดออกจากขอบจากน้ําไปไปเจอเทวดาสองตนนะเทวดาสองตนหิ้วของพะลุงพลังมาถามว่าโยมจะไปไหนไปตามหาพระพระที่ไหนเมื่อคืนโยมฝันว่าพระเดินมาทางเนี้อ่ะนะอ้าวได้เรื่องเลยดิยอย่างนั้นอา่าของนี่จะไปถวายพระของสังฆทานจะรู้ว่าพระอยู่ที่ไหน ก็ฝันว่ามาที่นี่เมื่อคืนเน่ะหนูก็ขับรถมาที่นี่นะโอ้โหได้เรื่องเลยนั่งคุยกันดีนี่นะถ้าถัดไปมันมีวัดอยู่วัดหนึ่งเอามาเห็นยอดเซลาวัดหรือโยมทั้งไม่ไปถวายวัดนั้นบอกวัดไม่มีพระเอาวัดตั้งอย่างนี้มีพระได้ไงบอกไปงานศพหมดเหมือนนั้นนะเออเป็นองั้นไปสงสัยไปวัดไม่เจอพระก็เดินเลยมาข้างหลังวัด ต, ต้องมาเจอแต่ ม, มาเสร็จแล้วอ่าโยมจะไปไงจะถวายอะไรวไปไง ก็มีนมกล่องมีรองเท้าเป็นถุงเลยนะแล้วก็มีเป๊ปซี่โคลาตของใช้ไม้สอยอะไรเต็มก็นั่งคุยกันโยมโยมตามหาพระเนี่ยลงรู้จักพระหรือยังก็รู้จักอ พ, พระอย่างไรที่โยมรู้จักก็บวดอย่างท่านนี้ทุกคนก็เป็นพระหมดนั่นแหละโยมถูกพระหลอกมาเยอะแล้วนี่นะ ถ้าโยมจะไปซื้อของซื้อทองในร้านนะโยมจะรู้ได้ไงว่าทองในร้านมีกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเจ้าของร้านบอกว่าทองร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยโยมเชื่อไหมก็อยากได้ก็ต้องเชื่อว่างั้นนะแต่ครั้งหนึ่งพอยอมซื้อมาสักปีสองปีโยมไปขายร้านเดิมเนี่ยโยมว่าเขาให้ทองโยมถึงร้อยร้อยเปอร์เซ็นอย่างที่โยมซื้อมา โอ้โยูหนูเคยได้ ว, ว่ามันบอกว่าทองเจ็ดสิบเปอร์เซนนูก็ต้องจะเป็นต้องขายให้มันแต่ซื้อมาซื้อราคาร้อยเปอร์เซนต์เพรางั้นนะ <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันถ้าโยมไปหาพระถ้าโยมไม่รู้จักพระเนี่ยโยมก็ไม่ได้พระร้อยเปอร์เซนต์อทีนี้โยมจะรู้จักพระได้งไงเพราะโยมไม่มีโอกาสที่ไปอยู่กับพระหรือไปศึกษาปฏิบัติธรรมที่บ้านโยมมีพระไหมเอาก็นึกนะสท่านหมายถึงพ่อแม่หรือเปล่าใช่นั่นแหละคือพระในบ้านโยมคือพระพ่อพระแม่แล้วยมได้ดูแลท่านไหม ก็น า, นานไปหาท่านทีอายมมาจากไหนเนะี่ยมาจากสุรินเรามาที่นี่ังไมเอามาเป็นลูกสะใภ้ของที่นี่ที่บ่อสร้างกับที่ไอ้ไอาณาลรงนี่นะก็นั่นแหละ ก็เลยบอว่าละวันนี้ยังไงยมก็ไม่รู้จักข้าได้นอนะอ่ะอาตมาออกมาที่นี่ยมเห็นอตาตมาอาหมัเห็นโยมเนี่ยม า, า จ, จะเป็นคนโจรองผ้าเหลือออกมาจากป่านี้ก็ได้ใครจะไปรู้แล้วยมจะรู้ได้ไงว่าเป็นพระจริงพระแท้ยมไม่มีทางรู้เอา ง, งั้นเดี๋ยวจะบอกพระให้ก็เลยบอกให้เขาสั้างจังหวะอต <c oughs> ามสไตล์ของลรานะ <c oughs> เดี๋ยวจะบอกพระให้ว่พาพระจริงที่ไหนให้สั้างจังหวะ พอเรามีเวลาสร้างเนี่ยอีกสิบนาทีอาจะมาจะรีบไปฉันเพลงนะรีบๆจานะแล้วกรีบไปอย่างเงะสร้างอย่างวะสร้างไปสามรอบจำหรือยังอีกคนหนึ่งจําไม่ได้อีกคนนึ่งจำได้ละไอ้คนจําได้เนี่ยหน้าตาดีวาสนาดีไอ้คนที่จําไม่ก็ได้เนี่ยก็เบื่อเบบนิดหน่อยก็มาได้กัน <laughs> ก็มาด้วยกันอีกคนเนี่ยสเปรย์สปา่าไปเลยทำผูกบ้างทาผิดบ้าง อ่ะสามยอดโยมทำเขาก็ทําด้วยกันอามาก็บอกว่าโยมที่อีกคนนี่นะบอกว่าโยมถ้าสมมุติว่าโยมออกไปที่นี่โยมไปได้อะไรดีๆเนี่ยถ้าเกิดโยมคนนี้อะไรได้ได้ของดีกว่าโยมน่ะโยมจะอิจฉาเขาไหมก็เป็นธรรมดาท่านมนุษย์ปุริชนอย่งนั้นถ้าโยมอิจฉาเขาเนี่ยเขาไม่แบ่งของให้โยมนะสมมุติว่าไปเนี่ยโยมได้ ได้ของชิ้นหนึ่ ง, างราคันร้อบาทแต่เขาได้ของราคันชิ้นหนึ่งแสนบาทเนี่นะถ้าโยงไปอิจฉาเขานะเขาไม่แบ่งให้โยมแม้แต่บาทเดียวเลยนะแต่ถ้าโยงไปอนุโมทนาช้าทุ่นะขอแสดงความยินดีดีด้วยนะที่คุณได้ดีเขาอาจจะแบ่งให้โยมสักหมื่นหนึ่งก็ได้ประาณนั้นนะอันนี้คือโยมต้องยอมรับวาสนาบรารมีของคนนะคนเราเกิดมาเหมือนกันก็จริงแต่ไม่เหมือนกันเนี่ยโยมคนเนี้ยเขาทำสามรอบเขาจำได้ ตอนนี้ยอมจาได้เล ย, ยอย่างอีจําไม่ได้นั่นแหละยมต้ อ, ย อ, ย อ, ย อ, ยอยงยอมรับความเป็นจริงว่าวาสนาคนมันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราร่วมมือกันเนี่ยเราแบ่งวาสนากันเราก็จะอยู่ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นในสังคมของเราเนะคนดีคนชั่วยอยู่ร่วมกันได้คนรู้คนไม่รู้อยู่ร่วมกันได้คนฉลาดไม่ฉลาดอยู่ร่วมกันได้คนวาสนาดีไม่ดีอยู่ร่วมกันได้ถ้าเรารู้จักแบ่งปันเรารู้จักเพื่ออาถรรู้จกักไม่อิจฉาดิฉยากัน ในพุทธศาสนาเรียกว่ามีมูทิตาจิตคือการพลอยยินดีเมื่อคนอื่นดีกว่าเราแต่ในสังคมของเราไม่ค่อยมีมูทิตามีแต่คอยอิจฉาเมื่อคนอื่นได้ดีกว่าเราเราก็อิจฉาตาร้อนใช่ไหมมันสังคมเราเลยเป็นอย่างนี้เพราะนั้นสองคนโะยมต้องคบกันให้ดีนะเพราะศาสนาบา ร, รมีไม่เท่ากันเก่งฉลาดไม่เท่ากันแต่อาศัยกันได้แล้วก็โยมไปทาทุกวันนะแล้วเมื่อไหร่ อมันจะรู้เรื่องพลาดในตัวเราแหละพอดีแล้วตอนนั้นเรากปลุ ก, ลกเข้าไปใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งนะ่ะดูเหมือนจะเป็นต้นพิกลนะะโยมเรานั่งกับตัวนี้ใต้ต้นไม้ใช่ไหมโยมรู้ไหมว่าต้นไม้ตัวนี้กวรจะเป็นโรคให้เราอยู่มาถึงวันเนี้ยมันมันเติบโอมากี่ปีขเขาก็ประมาณสักสิบปีได้ไหมท่านอ้าสิบปีนะโยมเคยลดน้ํามันไหมเน่ะ ไ, ไม่เคยเพราะไม่ได้อยู่บ้านโยมแต่ว่ายอมอาศัยโลกมันได้นะ ถ้าสมมุติว่าโยมสร้างจังหวะวันนี้เนี่ยเหมือนโยมได้เอาต้นไม้ที่มาให้ไปต้นหนึ่งแล้วโยมมาไปปลูกสมมติว่าต้นไม้ต้นนี้นะมันมีผลออกมาโยมกินแล้วเนี่ยไม่เป็นโรคไปแค่เจ็บโยมกินแล้วมีเป็นโชคดีทวนนะ่ะโยมจะดูแลมันดีไหมโอ้แน่นอนถ้าจะลดน้ําใส่ปุ๋ยอย่างดีเลยเออถ้าอย่างนั้นต้นไม้โยมไม่รอดอา้าวทำไมอ่ะลดน้ําใส่ปุ๋ยอย่างนี้เพราะปุ๋ยมันเยอะเกินไปน้ํามันเยอะเกินไปนล้วมันตาย ยมต้องรู้ธรรมชาติของมันก่อนว่ามันต้องการปุ๋ยเท่าไหร่ต่อเดือนต่อปีมันต้องการน้ําเท่าไหร่ต่อวันยมต้องศึกษามันทุกวันนี้นะคนที่เราทําดีแล้วผิดหวังคนที่ทําบุญแล้วผิดหวังเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักบุญแล้วไม่รู้จักพอดีด้วยเราถึงทําบุญทั้งปีแล้วก็จนกระทั่งชาติอย่างเงี้ยแต่ถ้ายมต้องรู้จัก บ, บุญนะบุญคือรู้จักความพอดีว่าเราจะทําอะไรให้พอดีสิ่งที่ดีเนี่ยถ้าทําเกินพอดีมันจะไม่ดี นะถ้าสิ่งที่ไม่ดีนะเราทําพอดีมันอาจจะดีเพราะฉะนั้นความพอดีเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วจะโยมรู้จะรู้จักได้ไงว่าจะพอดีหรือไม่พอดีโยอมไปสร้างปัญญาทําไงออสร้างจิติกันอีกสักรอบจนกวรจะจําได้เขาทํท า, าไปัตมาเขาก็จําได้พอดีเขาก็นี่โยมซื้อ รองเท้ามาันต้งถุงเบอรมเลยแนะ่ว่าจะมาถวายวัดเนี่ยนี่มูลเอาของเท่เยอะแยะเอามาไปได้ไงไปต้องรีบไปฉันเซนมาไม่เอาอะไรทั้งนั้นนั่นเนี่ยถวายแล้วก็ยงแล้วแต่โยงไปถวายที่ไหนต่อนะเอาจะคู่ท่านนะามามีรองเท้าเบอร์เก้าไหมเ <c oughs> ขาคนดูบมีแค่สิบเริ่งบ้างสิบบเอามีเก้าเก้ามีอยู่คู่หนึ่งก็เลยหยิบผู้เข้ามาคู่เดียวหนูยี่นะตอนนี้ทิ้งอยู่ท่ห้องน้ําแหละ <c oughs> อันนี้คือเหตุการณ์ประจำวันนะอันนี้คือชีวิตประจำวันที่มีอยู่โดยทั่วไปมิกี่อามาเห็นรถแว๊บเข้าม า, ามาดูไม่ทันเขาบอกว่าเอาของมาส่งที่นี่เขาบอกเขารู้จักที่นี่รถเลยเข้ามาผมไม่เจอใครผมขับรถออกไปเลยนะมิกี้ตอนที่เรากินข้าวกันอยู่อามาเห็นรถจังรถเขาได้แต่เขามองโดยไกลรถเขาจอดอยู่ก็ครันมิกี้นะ่ะของเตรีมรถเลยนะเขาเดี๋ยวเข้ามาส่งน่ะแหละ แสมามาเดินรักป่านี่ไวกว่ยูมที่แรกเขาอยาให้นั่งรถไปด้วยเลยจะงงคุณไม่เคยมาที่นี่เดี๋ยวคุณไปหลวงทางเอามาโคดเทล น, นะว่างั้นนะก็เลยเอาไเลยว่า ง, งั้นพวกหนูจะาตามไปชีหลังว่างั้นนะเอามาก็เดินรักไปรตรงนี้เห็นเตนฉันอยู่เห็นรถวิ่งออกไปสแสดงว่าเข้ามาไม่เจอภาคก็คงจะออกไปเลยแต่เราเดินหาดูของตรงนี้ว่าเอาของไปไว้ไหนไม่เจอไม่รู้ว่าของไปไว้ที่ไหนนะออกมาแล้วเหรอ โอ้นั่นคือหลักฐานนะเอามาไม่ได้เมคเรื่องขึ้นนะเอห้องอยู่ห้องพระนะเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้คือชี้ประจําวันที่เจออยู่เสมอแต่ว่าแปลกใจว่าเมื่อคืนเขาฝันว่าเจอพระองค์นี้ว่าาก็ตามจนเจูนะฮะแล้วก็ที่อยู่ของพลุนพลังว่งาตามมาเอาพระซึ่งเป็นเรื่องประหลาดมากแล้วทุกวันนี้มาไม่ได้ออกจากนอกที่นี่ไปเลยนะแต่วันนี้บังเอาาิญมันออกไปไม่รู้ไปไงไปเดินดูตามคลองน้ํามันไปถึงไหนแต่ปรากฏเขาก็ทําเป็นผนังพนังเอาไว้ ฉะนั้นในชีวิตจริงของเรามีเรื่องอะไรน่าสนใจเยอะแต่เนื่องจากว่าเราขาดสติอยู่เป็นประจําเรื่องอะไรดีๆเข้ามาหาเราเนี่ยเราไม่รู้จักโชคชะตาอะไรเข้ามาหาเราเราไม่รู้จักเพราะเราไม่มีสติเราก็จะมุ่งเหมือนกับม้าเนี่ยเคยเห็นม้าแข่งไหมเช่อไหย ม, ม้าแข่งจะถูกล้ออะไรล้อตาไม่มองแค่ที่มันจะไปแค่นั้นแหละนะ แต่เกินั้นมันมองไม่เห็นแบบชีวิตของเราวันแต่ละคนก็เป็นอย่างนั้นนะถูกล็อกสายตาให้มุ่งไปแต่ข้างหน้าหรือเหมือนคนอเมริกันที่วิ่งรถลูกมูวิ่งแต่เลนของใครของมันนะ่ะรถวิ่งตามเต็มถนนแล้วมันไม่เห็นรถคันอื่นนะเราจะเห็นรถของเราวิ่งไปตามนั้นนะอันนี้คือวิถีชีวิตของคนปัจจุบันดังนั้นเองก่ อ, อนที่จะว่าในเรื่องของการเข้าเกี่ยวกัมช่วงบ่ายนี้นะแปลกันสงสารในแกลมมัน c a n we talk about the uh, daily situation, <laughs> when we have the energy of mindfulness, energy of i n s i d e t wisdom, we get we we we meet m i t h e the real situation, the new situation every day. At least two or three situation is t a new for us, and such a new situation give the colorful life, colorful vision. That's it. Uh, the the cause of wisdom, the cause of uh, the the cause of the teaching. So the Buddha, he give the Dhamma talk every day, but such a teaching never, never, never be same, different, because he have the mindfulness every minute, every minute have the new situation come up in the o t h e r mind of the life, but we h a e never seen it because we don't open our eye. ม e l o อก our e อ้ s ายโอ o ีเอาเอาเอาเ w a y like อะไร hot racing เหรอมาแข่งว่าไงมาแข่งเขาใช้ว่าไงยมเล็กนะ hot racing racing. racing hot เดี๋ยวคุณคุณฮะ racing hot นอะ racing hot they are locked by <c oughs> by flame see o อรี That way, never see anywhere. But we are human being. We don't be like that. We need to open our eye vision. Do everything every situation around you. But don't send your mind over there. But keep your mind around you, like uh, you f o l l the lamp. In the when you go some uh, the situation of a dark night, when your eyesight move only the. <coughs> Uh, the l ดลัสมีอะไรเัมีเนี่ยะรนคุณแพทย์ the uh, the radiance of the the ram when you move your eyesight around the radiance อะ t รแบบ but you cannot see after that everything dark so but the real situation now they don hear. they don't they don't hold the, the ram but they h o l e about touch light Okay, touch light, very really narrow vision. You see only, only the ray o r the touch light. But you move over there, you cannot see over there. You move over there, you cannot see over there. But the lamp can, can see around. Okay, the mindfulness also, the shine of mindfulness, the lamp of mindfulness. If you have the perfectly, tell you extend or you spread the radiant of mindfulness. Why and why? Depends on your energy. You have a small lamb, a big lamb, a bigger, bigger lamb. Then you hold the b i g lamb. Maybe the radiant of the lamb maybe far away, many meters, maybe one kilometer s okay. The same. The one who has small radiant, okay, they go maybe one meter or two meter far away from their body, they can see or really, really close. But if you extend the Radiance of your myopnet or wisdom far away. Your eyesight can see everything far away. That we call wide vision. Deserve for the modern man like a you, okay? Yeah, okay. Everybody should be like that. Try to extend your radiance of wisdom, radiance of m y o n e t or radiance of concentration, for make your eyesight. Very far vision, very really wide vision. That's what we call modern man or new age, <laughs> new age man. So in the next century, every human should be like that. Otherwise, you cannot survive in the next century. So you can start today, not tomorrow. Maybe tomorrow is so late. You must start today. Okay. Now, อันนี้คือเรื่องราวในชีวิตประจำวันนะที่เราจะต้องเตรียมพร้อมถึงสติปัญญาที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคุณมีสติปัญญามากก็จะได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมากๆแม้แต่นกร้องตัวหนึ่งก็าสามารถสร้างเหตุการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตเราได้แต่ เ, เราได้ฟังเสียงมันชัดๆไหมใช่ไหมแม้แต่เราเดินเห็นมดตัวหนึ่งเดินผ่านหน้าเราเราก็เรียนรู้จักมันได้แม้แต่เราเดินผ่านต้นไม้ตัวหนึ่งแล้วเห็นลมพัดไหว ถ้าเรามองดีๆด้วยสติเราก็สามารถที่จะเรียนรู้อะไรจากมันได้เห็นไหมมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ใหม่หมๆเยอะแยะเลยแต่ทำไมเราอ n กนอ for whole day and whole month and whole year we never know anything we ignore that we call ignorance อวิชชาเพราะอาวิชชาปิดบังเรามากเกนไปทำให้เราไม่ยอมรับรู้และเรียนรู้ต่อสิ่ง เราข้างที่เกิดขึ้นให้เราเรียนรู้ตลอดเวลาให้สติปัญญาแก่เราตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเปิดดวงตาดูมันเราจะมองแต่ของเราของเราของเราของเราไม้แอนนี่ไอนะดังนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่นะในฐานะเป็นนิวเอชอปาอันนี้คือสิ่งที่เรา ประสบในวันนี้นะแล้วก็ในชั่วโมงต่อไปนี้ก็คือเราจะเก็บอารมณ์เข้มที่เรียกว่าอินเทนซีฟคอร์เราจะให้อยู่คนละหลังหนึ่งหลังหห ล, ลังไปใน น, นนั้นเราจะใช้เวลาตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึงบ่ายห้าโมงเย็นเนี่ยทนไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวคนไหนไม่ไหวยกมือขึ้นก่อนสอง สามสี่ห้าห้าไม่น่ใจ ข อ, ขอตั้งสี่งองค์เดี๋ยวคนไหนไม่แน่ใจยกมือขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอไม่แน่ใจคนไหนตายเป็นตายคุณทำร้องดูเนี่ยยกมือขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ไม่แพ้เมื่อกันนะสำหรับคนที่ตั้งใจเนี่ยเราจะเอาใจใส่เป็นพิศเศษนะ <laughs> เราจะดูแลเป็นพิเศษให้ความอบอุ่นประคบประโงงให้กำลังใจมีนิทานให้ฟังแล้วก็สอบอารมณ์บ่อยๆแต่สำหรับคนยังไม่แน่ใจเราไม่เอาเราจะอีกนอเลยนะไม่ใจไม่ได้ใ จ, เ ร, จเราจะปล่อยตามสบายเพราะฉะนั้นโอกาสนี้เป็นโอกาสพิเศษของพวกเราแล้วที่จะได้เรียนศึกษาสิ่งดีๆนะพวกเราเวอลเล็ตเตอร์เลยนะสมัครใจเลยไม่ต้องกลัวเพราะว่า เราจะต้องเข้าสู่สนามรบแห่งสงครามกิรลสอันร้าแรงกว่านี้อีกหลายเท่านณวันนี้เราเตรียมอาวุธเท่านั้นเองนะเราเตรียมอาวุธอาวุธที่แหลมคมที่ไร้ายกะที่สุดคืออะไรที่อาวุธอื่นเอาชนะไม่ได้สติปัญญาอาวุธนี้แม้กองทัพมารยังยอมสยบเลยนะอย่าว่ากองทัพมนุษย์เลยนะตรงนี้คือวิภาชนาญาณ นะวิพัฒนายาดดะนั้นศัตรูที่แท้จริงของเราฟังฟังฟังฟังศัตรูที่แท้จริงของเราคือใครตัวเรากิเลสของเราเองผู้ที่ทำลายอนาคตที่แท้จริงของเราก็คือตัวเราเองผู้ที่สร้างความเจริญนั้นสูงสุดให้แก่เราได้แก่ใค ร, ใครตัวเราเอ ง, เ, เ, องเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีโอกาสแล้วที่จะพิสูจน์อยู่นั้นนะนั่นเองก็ อาจารย์คงกิตได้แพลนเอาไว้แล้วว่าคนไหนจะอยู่หลังไหนนะเพราะจะแบ่งโซนกันหลังสมมติว่าเราวียี่สิบชีวิตนนะไม่มีใต้ต้นไม้มีแต่ใต้ถุนเรือนเดี๋ยวนี้นะไม่เห็นต้นไม้แล้ ว, วทีนี้ถ้าในกรณีเป็นกุฏิแฟดอาจารย์คงกิตครับมีมนข้างหน้ามาชี้แจงหน่อยว่าจะ ให้อยู่อย่างไรอุติแฟรเนี่ยเราจะให้อยู่ <Okay. S 1> ด้วยกันหรือว่าจะแยกกันถ้าแยกกันนี่จะพอไหมอะไรนั่เนี้ยซึ่งเราจะเทคแคร์การคนละกลุ่มไปอาจารย์ชุพิน์กลุ่มหนึ่งสองอาจารย์กลุ่มที่าอาจารย์ดวงศิลป์แต่สําหรับอาตมาก็จะเป็นสเสวยโดยทั่วไปเมื่อดูแล้วใครไม่ได้เรื่องไม่ตั้งใจก็มาถึงที่อาตมา <S <S แล้ต่มาก็จะให้ข้อพิเศษนะซึ่งอาจจะเม่บอกไม่ถูกว่าจะเป็นยังไงนะชะตากรรมดีร้ายยังไงบอกไม่ได้นะตอนนี้หมานมาถึงก็จะมาหมายความว่าสุ่นแล้วงั้นเหอนะเพราะนั้นก็เราก็ยังมีแดดประหารอยู่นะฮะเรื <c oughs> <c oughs> ่องนี้ไม่ได้พูดให้ตกใจนะคุณนุชไม่ต้องกลัวไว้ก่อนคุณนุชทำท่าไอ้ส้อยไว้ทำถ้าจะไม่ค่อยสู้แล้วท่านนี้อย่างเียเกรเนี่ยอย่างเรา คิดว่าเราน่าช่แรกเป็ที่หนึ่ชั่วโมงที่จะไม่มีที่ไหนเลยกับกมนึ่งขาเว่าสองชั่วโมงกลุ่มนึงเขารว่าก่สามเนี้ยมันมันแตกอย่นี้ได้ไหคอาจอ๋อเรื่องนี้มันมีผลเย่างไรอนุโมทนอาจารย์คงขิเพราะอาจารย์งุิีที่เป็นนักเก็บอารมณ์อาชีพแล้วผมจะไปสำรวจสถานที่เดี๋ยวประมาณสัก สิบนาทีเดี๋ยวผบอกอีก จะเก็บอารมณ์กันเหรอใช่ไหมแค่ไม่เก็บไว้มันก็เยอะอยู่แล้วอารมณ์มันเยอะแยะไปหมดแล้วจริงๆการเก็บอารมณ์คือการเข้าไปเก็บสติให้มันต่อเนื่องจริงๆในในรูปแบบที่เขาอยู่ในวัดเนี่ยก็จะปีกเปลี่ยวไปอยู่คนเดียวแล้วก็จะได้ทําเรื่องนี้ล้วนๆไม่ยุ่งกับใครสํารวมระหวังแล้วก็ฝึก ถ้าฝึกอย่างนี้ปั๊บเนี่ยความรู้สึกตัวที่ที่มันสเปสสะบะมันเริ่มไหลไปนั่นไปนี่เนี่ยมันรวมกันเข้ารวมกันเข้าเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเตื่นกายตื่นใจได้ไวนั่นคือเหตุผลที่เขาจะต้องเข้าเกีบอารมณ์มันเป็นการเรียนรู้ตนเองแบบแบบหนึ่งพิเศษมากนะคือการที่เราเห็นตัวเองว่ามันฟุ้งมันเบื่อมันเสียงนั่นนะมันมันเป็นเรื่องหน้าน่าศึกษามากนะหลายหลายคนมากดิ เรียนหนังสือเก่งทำอะไรเก่งเก่งหลายหลาอย่างพนอะไรได้เยอะแยะแต่ทนตัวเองในช่งวงหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ใช่แตยมนะอาตมาเคยมีพระระดับเรียนธรรมแปดเก้าประโยค์ก็ส่งมาอยู่ที่วัดถ้าก็ส่งมาที่วัดแพทย์แสงแทีนมีอยู่สองกรณีพระนี่นะหนึ่งเป็นเปรตเอบวกหมายถึงว่าเรียนก็ดีพฤทินิสัยก็ดีชอบภาวนาก็ส่งมากับประเทศแซดแล้วขาจะโลออกจากวัด โรงเรียนดัดสันดานเพชรแกรงเขียนเขาจะส่งมาเขาบอกไปหาอาจารย์คมกฤินะเข้ามาเขาก็นึกว่าจะเจอหลวงพ่อแก่และหลวงตั้งมาทำเคยมียมคนหนึ่งปฏิวัติดจะเป็นครูสองคนนะเจอกระเป๋าใหญ่เลยจะมาปฏิบัติธรรมวันเดียร์ต่ำมาก็กวานกวาดลนวัดอยู่เน้นเน้นเน้นแล้ก็มองให้เน้นไงวะ มองไม่เห็นใครเน้นเน้นเน้นก็ไเชียร์แต่ก็มีอะไรหรื่อยอยูอ่เขาบอกให้มาอาจารย์คมกิดแล้วก็ส่งเข้าไปกุฏิเก็บปฏิบัติว่างั้นหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้เน้นํามาแต่านพเออก็เลยมาส่งเขาเข้ากุฏิเรียบร้อยพอตอนเรียนอาตมานั่งอยู่หัวแถวอทําเป็นอาจารย์คมกิดเหรอ และแต่โยมจะให้ตมาเป็นอะไรวง <c oughs> คือคือเราเราคิดว่าสังเกตไหมถ้าเขาบอกว่าอุทย า, ลานลาดนาเราไม่เคยมาเราก็จะวาดภาพอย่างไรอย่างไรอย่างนี้บางทีภาพที่เราวาดอาจจะใกล้ก็ได้บางทีอาจจะไม่ใกล้เลยก็ได้ใช่ไหมภาพการเก็บอารมณ์ก็เหมือนกันบางทีอาจจะเป็นเรื่องน่ากลัวอึดดัดไม่แน่นะ ค, นคุณเค มันจะรู้แจ้งขึ้นมาทีเดียวทําไปทํามาเลยเบื่อปั๊บเราจะการการเข้าเก็บอารมณ์หนึ่งเป็นการวิจัยตัวเองอรัเข้าไปอยู่ในบล็อกตัวเองไว้แล้วก็อยารู้ว่าเกื่ความเบื่อในที่สุดความเบื่อมันมันจะสุสดลงยังไงมันไม่ได้เบือ่อครับมันไม่ได้เบือ่อ ท, ที่เดียวแต่ว่าผมรู้ว่ามันทำจนจนคิดว่าเป็นการพอร์นาตัวเอง แล้วมันต่างอะไรกับการนั่สมาธิกับตามันเกิดการบีคอร์มันวุ่นวาจนจนแบบว่าเออเส้นทองตึงนะพยายามคายก็แล้วอะไรก็แล้วมันก็ไม่หายก็เลยมากถมันตาอะไรกัารนั่งดับตาก็ทรมานเมอกันว่าก็พยายามก้าวน้ามแลไม่ข้ามแล้วมันข้ามแล้วทรมานอยู่นะมันมันไม่อยู่ตรงนั้นหรอก มันจะมีบทเรียนที่ที่ผ่านไปเรื่อยๆที่ผ่านไปเรื่อยๆแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะอย่างอย่างคุณชัคุณนุชต้องดูแลคนอื่นเวลาสําหรับาการคิดช่วยเหลือคนอื่นมันเยอะการทําตอนนี้มันอาจจะน้อยกว่าค น, นิดนิดหนึ่งใช่ไหมอย่างหนึ่งสุขภาพก็มีปนนนัญหาดีหนึ่งมันก็เลยแสดงอาการมากแต่การปวดการเมื่อยเนี่ยหรือว่ามันตึงมันเครียดอะไรต่างๆในบางช่วงเนี่ยไม่ได้หมายว่าตัวนี้เป็นอุปสรรคถ้าเรามองด้วยฐานะมันเป็นบทเรียนเนี่ย เราจะเข้าใจเรื่องนี้ดีมากเลยอย่าลืมนะแค่ปวดแค่ถึงแค่นี้เรารู้สึกว่าทรมานถ้าสักวันเรารับทราบว่าเราคือเราเป็นมะเร็งกระดูกเราเป็นมะเร็งระยะสุท้ายอย่าลืมญาติมิตรเงินทองหน้าที่การงานช่วยอะไรไม่ได้คนรวยเป็นมะเร็งกับคนจนนีเป็นมะเร็งคนรวยมีสิทธิ์เลือกโรงพยาบาลเลือกหมอคนจนอาจจะอยู่โรงพยาบาลธรรมดาอยู่ห้องธรรมดา แต่เราลองคนจนกับคนรวยที่เป็นมะเร็งกระดูคนรวยอยู่ในห้องที่เสียบไม่ได้นอนยิ้มหลบนา น, นอนกวนครังเหมือน ก, นกันกับห้องปกตินั่นแหละการเจริญสติภาวนานั้นนะไม่ใช่การแสวงหาความสบายแต่เป็นการเรียนรู้ความทุกข์ที่ปรากฏในใกายในจิตแล้วเราจะมีท่าทีต่อการเรียนรู้อาการทางกายทางจิตยอย่างไรสารองการเจริญสติไม่ใช่แต่คนเคธเท่านั้นคนทุกคนที่ปฏิบัติแล้วเนี่ย จะเจอความปวดความเมื่อยเจออารมณ์ที่ปั่นปวดมากยิ่งวิธีเจริญสติแบบเนี้หลายคนจะสังเกตาเอ๊ะทำไมไม่สงบทําไมฟุ้งซ่านเราทํางานเรารู้สึกว่าไม่ฟุ้งขนาดนี้ไม่ไม่เอือัดขนาดนี้แี่เวลามายกมือยิ่งจะแสดงอาการมากแสดงกันมากตัวเนี้มันจะเป็นการขยา่าลขย่าให้เกิดภาวะปั่นปวดในกายในจิตแล้วเราจะฟ้อสังเกตมันอย่างอย่างสังเกตการเป็นผู้สังเกตการเป็นผู้ไม่เป็นกับอาการปวดมีอยู่ แต่ความทุกข์กับการปวดไม่มีพอเปลี่ยนแปลงได้ก็เปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างเช่นคุณปวดฟันคุณไม่สามารถจะบล็อกให้มันหยุดภายในวันนี้สองวันนี้หรอกเรื่องเหล่านี้จะต้องเกิดกับเราดังนั้นการบทเรียนเล็กๆอย่างเช่นปวดตึงเมื่อยหรือว่าอึดอัดกับอากาศร้อนที่เราสามารถเลือกเข้าแอร์ก็ได้แต่เราทําเพื่อการศึกษาดังนั้นการเจริญสติไม่ได้ทําเพื่อเอาอะไร มันจะเป็นเรื่องของการศึกษาอ๋อภาวะอย่างนี้เกิดอย่างไรอย่างนี้เกิดอย่างไรอาการกายเกิดอย่างนี้อาการใจเกิดอย่างนี้จะเป็นการเรียนรู้เรียนรู้บทเรียนเหล่านี้เวลาเข้าไปสู่ชีวิตจริงนะควรจะรู้จักและวิธีวางใจการฝึกเจริญสติเป็นการฝึกวิธีวางใจต่ออาการที่เกิดกับกายกับจิตไม่ได้เอาตัวคิดเรียนมาดูเฉยไม่ใช่ความรู้สึกจะเฝ้าดูว่าอาการอะไรเกิดขึ้นทุกคนที่นั่งอยู่นี่ไม่ต่างจากคุณเชมากเท่าไหร่นะ บางทีตึงที่ต้นคอเป็นปะไหมเปลี่ยนตี่หัวไหล่กดๆแต่วันแรกๆรวันที่สองรูเหมือนจะไม่ไหวพอเช้า ว, วันนี้หลายคนรู้สึกเอ๊ะมันก็ปวดอยู่เท่าเดิมมันมันก็ไม่ได้ลดลงมากแต่ทําไมเราทําได้นานขึ้นเดินได้นานขึ้นวันแรกแค่ครึ่งชั่วโมงก็จะไม่ไหวยกมือใช่ไหมเปลี่ยนทางจงกรมทั้งหลายที่วันนี้บางคนเดินตัน้งแต่เช้าจนถึงเกือบทานข้าก็มีที่เปลี่ยนแค่สองครั้งอาการน้อยลงไหมไม่น้อย อาจะอจะน้อยลงนิดหน่อยหรือเท่าเดิมแต่ความทนทานทางจิตต่ออาการที่เป็นไปทางกายทางใจเนี่ยมากขึ้นถามคุณแม่คุณอะไก็ได้คุณแม่ทำมากี่ปีแล้วที่มาแต่มากี่เดือนกี่ปีแล้ ว, ค, ว ค, คุณแม่ละทำกี่วันแล้วห ล, หลายปีแล้วแต่ว่าไม่ได้ติดต่อกันอยู่ยาว ที่มาทําอย่างนี้ปวดปวดเมื่อยเมื่อยมีไหมอืมเนแล้วเกก็แก่กว่าใครด้วยนะในห้องนี้ถ้าว่าตามธรรมชาติเกจะตายก่อนใครด้วยแต่ไม่แน่นะมันแซงกันได้นะใครนี่มันสําคัญใช่ไหมถ้าคนหนุ่มๆเนี่ยถ้าถ้าบางท่าทีในการเรียนรู้มันเป็นมันจะไม่ไหวแต่มาเคยเจอพัดเรียนทำเก้าประโยคนะจะมาปฏิบัติจริงเนี่ยทําได้สามสี่วันเนี่ย บอกว่าจะมาปฏิบัติหนึ่งเดือนปฏิบัติไปได้สามวันสี่วันเนี่ยปั่นป่วนฟุ้งซ่านไม่รู้จะทํำยังไงแกก็ามาอาจารย์ครับผมกราบลาเ อ, อ, าอ้าลายังไงบอกผมลงทะเบียนหนึเดือนหนึ่งโอ้ยลืมไปผมรับโยมรับนิมนต์โยมไว้ อ, อ, อีกเอ้าไม่ได้เคเลียไว้เหรอลืมไปครับเคลียหลายหลายแต่ลายนี้เคลียไม่ได้ย ยิ่งปัญญาเยอะ ย, ยิ่งหัวดีได้เวล า, าจะออกนีนะคือเราก็รู้แหละว่ามันประภาฟุฟ้งซ่านแต่เราก็บอกอย่างนี้นี่นะเขาเขาก็บางคนก็บอกเชื่อบางคนก็บอกไม่เชื่อแล้วแต่วิ่งแต่กลแต่เวลาเราไปฝึกนี่นะคุณชียร์ไปลองเรียนรู้คุณไม่จําเป็นจะต้องเดินมั่งมั่งเหมือนเขาคุณสามารถเปลี่ยนี่บทอ่านก็อี้ไปนั่งเรืออะไรได้หรือว่าถ้ามันอึดมากๆเราสามารถออกมาเปลี่ยนพี่ขายได้ไม่มีการบล็อกข่มตัวเองอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ลองเรียนรู้ดู ว่าจะเกิดอะไรขึ้นการทางกายกัะการทางใจนั่นที่จัดเราใค้คิดว่าสามสามวันที่ผ่านมานี่นะอาตมารู้สึกว่าถ้าให้ประเมินนะรู้สึกว่ารูปนี้ค่อนข้างจะเอบวกอยู่นะถือ ว, ว่าตั้งใจทํากันได้ดีขนาดเอบวกขนาดนี้นะถ้าดีจะ <laughs> <c oughs> รวน การสักรอบนอีก่รอบนึ่งเพราะอาจารย์ท่านมาสารวจว่าใครที่ว่าตัวเองจะเอาใครห้องเอห้องีห้องซีใครใครที่ใครที่โสตายลโ่ตาโาะเาะชื่อังเสียตีเอาแค่เป็นเพียร์บัไม่ได้ แค่ค so, uh ่ะ้างมีรูปไม่ีแรงปเงแค่พอเทียบงห้าดิ้ได้่่่่มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม ที <usion> ่มั่นใจยั่ยขึ้น่ไปุ๊บอกตั้งนแล้วไม่เราจะออกไปตอนนี้เลยรั้วมีใครอยูงไหมเอ๋ที่เป็นบุคลากร มั้งใจมั่นแล้วแม่หมดแล้วมีเจ็ดคนนะแล้วก็เราเป็นนี้เกินพีเกิน่าห้องห้องไม่มั่นใจม้องีห้องีบ้าอยากไปลองบ้างก็อยากจะลองมต้องไม่ตอง ลุกข <Es> <an> ึ้นได้เลยแล้วตามหลวงพ่อไปกลุ่มกลุ่มที่ที่เน่ยเยแล้วออกมาเลยตามหลวงพ่อไป บครับิดกับใครี่ยูซี่คนนั้นบอครับบอลบอลครับบอลบอครับอลบอครักบอครับลับบอลบอลครับบอบอรับบอลบอลครับบอลบอบครับอครับอครับครครับครับลลครับ ตีกลื่มตีต้ยไุ้ยต้ยตุ้ย้นตุ้ยตุ้ยตยตุ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้กตุ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยตยตุ้ยตุ้ยตุ้ยถุ้าตุ้ยต้ยตุ้ยตุ้ยตุ้อตุ้ยตุ้ยตุ้ย้ยตุ้ยต้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ย้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยต้ย้้ย้ ไม่ได้เวูรอไทยมีสดเจียบเจี๊ยง่าดเจียบขูดสงมีชนเจี๊ยีครับเจี๊ยบเจี๊ยบ้อาายถ้ถาว้าเราปฏิบัติานี้ครับตอนเรามาสระว่ายน้ำได้ปกติไหมปกติปกติกองน้าได้ปกติ ไปกลุ่มที่สองนี่มันพระอาจารย์สุกินนำไปเลยครับกลุ่มที่สามอยู่ตรงนี้กันเอากลุ่มไม่สู้นี่ยยกให้แทนกงเกียรติะกลุ่มเอว่้าจะไม่ยุ่งให้อ้าไป เราเหลือไม่สูนะ่ะเป็นไปได้ <laughs> ยังไงชายิวประธานสี่ชั่กโมงไม่ใช่หนึเป้มมาเป้าผมว่าเป้าในการคือคือถ้าจะบอกว่าถ้าจะนั่งสี่ชั่วโมงโดยโดยไม่โดยไม่ออกอย่างนั้นอะไปไม่ได้เลยเฉลยบอกว่าไม่ใช่แน่ ใช่แต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะทาไม่ได้เลยตามมากที่สี่วโมงให้ทำเหมือนอย่างที่ทำสามวันที่ห่างกันอย่างเนยโอเคค่ะจ้าแว่าแบบสี่ชั่วโมงอยู่แบบใต้ถุดบ้านอย่างเี้หนูหนูไม่สามารถก็มุคุยกันก็ได้ได้อะไรเยอะค็ตาแต่แต่ว่าแต่ว่าอเมอะตัวเองเนี่ยตามตามตามค้าที่ที่ที่แบ่งแล้วอ่ะ ่าาออจริงจริงมันมันไม่มีปัญหานะการล็อกตนเองไว้เอ อ, เอือมากใกล้ๆหน่อยแต่มันจะเ อ, อปิดประตูได้ลวลก็เห็นทำกันดีอยู่นะย อ, อ, อย่างแกอย่างาให้หยิงมั่วถี่หมงดเข้ามา อ๋อจริงๆก็ต้องเข้าสีอ้าวตอนแรกไม่ได้บอกเองดิงด เ, เราเราจะไปน้ำเดือดมันหมดเราจะเข้าห้องน้ำนี่เป็นเรื่องธรรมชาตไม่ใช่ไปบล็อกให้ตัวเองไปอั้นให้จนถึงเวลาเลิกนั่นเป็นธรรมชาติการศึกษาปฏิบัติแบบนี้ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าป่วยแล้วไม่เราก็เปลี่ยนแต่ว่าที่ท่านบอกเออลองอยู่ในทางตรงกลมตรงนั้นในเลนตรงนั้นจะเปลี่ยนยังไงก็ได้ถึงเวลาเข้าห้องน้ำก็เข้าได้ไม่เป็นไรแต่ ถาเราจะฝึกเนี้ยสาระของมันไม่ได้อยู่ที่จํากัดนะถ้าจะเคลื่อนที่ไปไหนก็ได้ตัอจะเปลี่ยนบทอย่างไงก็ได้สาระหลักอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมเข้าใจคนีมาสามสี่วันเนี่ยเข้าใจตรงนั้นเลยแล้วก็คิดว่ามันสามารถเอาไปใช้ก็เหมือนที่ผมถามอาจารย์ว่าในการทํางานเนี่ยมันสามารถแอพพลายได้เต็มๆอย่างเช่นคุณคิดไปเรื่องอื่นกูก็ดึงความคิดกับดึงดึงสติกลับมาที่การทํางานอันนี้รผมเข้าใจครับแต่ว่าแต่ว่าการปฏิบัติบางทีมัน พ อ, อนานๆแล้วมันมันกลายมันกลายเป็นการเป็นตัวเองไม่อยู่แหละอนเนี้ยอะไรก็ดึงไม่อยู่เพราะว่าด้วยการปฏิบัติอันในช่วงเวลาสั้นๆก็ดีหรือว่าอะไรก็ดีแต่คิดว่ามันก็มันก็มันก็มีในในทุกคนที่สารจะดึงกลับมาได้ <c oughs> คิดว่าว่มีมีมีะแต่พวกพวกคนเก่งเลยนะพระที่เขาอยู่ปฏิบัติกันมาแม้แต่เป็นพระเป็นนังฝนบางค น, นเนี่ยให้เขาไปเก็บอารมณ์เนี่ยบางคนขอออก นี่เป็นเลือดธรรมชาติเพรจิตเราบางทีมันปัดปวดมันนั่นมันนี่ร่างกายด้วยอะไรด้วยแต่ว่าอ่าบทเรียนที่เราจะประยุกต์ตัวเองไม่ว่าจะอยู่อีบทใดแม้แต่บางครั้งเนี่ยเราอยู่กับที่จํากัดจํากัดมันบีบกันมันมันไม่สบายมันไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวนะถ้าเวทนามากหรือความสิ่งอืนอัดมันมากเนี่ยจิตมันจะไม่ค่อยอยู่หรอกนั้นเราสามารถรีแลกผ่อนคกายเดินยาวๆก็ได้แต่สาระมันอยู่ที่การเคลื่อนรู้เคลื่อนรู้เคลื่อนรู้ถ้าทําอย่างนี้ได้นะี่ว่าจะทํายาวทําสั้นทําอะไร ได้ทั้นั้นหลยมันแบว่าได้แคบขึ้นชั่วโมงแล้วมันก็แบบว่ามันจะหลุดแล้วอะแล้วได้ขึ้นไอย่างที่หนบอกว่าดูดูความช้างขเท้าอยู่แบบพันดูดูดูดูความเปลี่ยนมันก็เป็นแล้วมันก็ไม่ไหวอ่ะมันก็ไม่ไหวแล้วต้องต้องแบบไปห้องหรือว่าต้องแบบต้องไปนู่นไปนี่ให้มัน ให้มันหา ก, ก่อนแล้วค่อยค่อยกลับมา เ, เริ่มใหม่เส้นมันไม่เหมือนเพื่อนๆ อ, อ, อย่างเ่อวานเราแบบนี่ทําไมเขาได้นานยัตามเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงไม่มีปัญหานะเราเรียนรู้ในสภาพของเราเราจะ <c oughs> คือขอให้จําหลักไว้ว่าถึงเราจะออกจากพื้นที่เราอาจจะไปเปลี่ยนไปเดินไปที่อื่นบ้างสักหน่อยแต่เรายังตามรู้ตัวเองอยู่ก็ใช้ไายเราไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อแข่งขันกันนะ เป็นการเรียนรู้ตัวเองท่านเองเรียนรู้ตรงตามสักยภาพของตนเองแต่สารหลักจงจำไม่ถ้าเรานั่งปฏิบัติเฮยเพื่อนไม่รู้กูไม่รู้อันนั้นติดต้อไปไกลแล้วนะกลายเป็นมานะับทิศที่แข็งนั้นดิฉันนะกับ <c oughs> ผมเองมันมันมันมีอย่างหนึ่งเลยที่อาจ า, ารย์อย่างเช่นผมผมคิดว่าผมรู้คําตอบแล้วในการมบฝ <c oughs> ึกเนี่ยก็คือรู้คำตอบว่าคุณต้องมีตัวดึงให้กลับมาอยู่ที่ศักดิ์เนี่ย ผมคิดว่าเข้าใจครับก็เลยคิดว่าสาระในการนั่งพยายามคนจนตัวเทนไม่ไหวเนี่ยก็อลองทําแล้วนะครับแต่ว่าก็คิดว่าไม่ถึจะมีประโยชน์ส่วนตัวนะครับไม่ถึงว่ามีประโยชน์แต่ไอ้ที่พระอาจารย์สอนผมว่าต้องก้าว้ามมัน ต, ต้องต้ อ, องต่อรองมันต่อรองแล้วต่อรองอย่างเช่นอาจจะต้องอย่างนี้ในการ ทำมือไปอาจจะต้องก้มหน้าว่าอะไรบ้างก็ก็ๆๆาพยายามต่อรองแล้วแต่พอใจมันมันคิดว่าเอ๊ะวันนี้กับแฝกลับมากลับมาดูเวลาหนักมากว่มันจะหมดที่ไห <c oughs> อ <c oughs> าจา <c oughs> รย์แล้วอย่างเว้านาฬิกาได้สองว่าจบผมเลยวันนี้เลยก็ไปเอานาฬิกาตาเช่อมมันจะได้ไม่ต้องกังวลเลยอะหลับกังวลยปเลย เอ๊ะทำไมขอสรุปนะทำไมเส้นกราฟมันไม่ไปอย่างนี้ใช่ไหมทำไมมันเมื่อวานนี้มันจะดีๆวันนี้ทําไมิ่มถักลงนี้ทําไมมากับจริงๆนี่จะเป็นอย่างนี้นะไม่ได้หมาว่าเฮ้ยเมื่อวานนี้เข้าที่แล้วพรุ่งนี้ต้องดีกว่าแต่จริงๆสภาพนั้นจะขึ้น ข, นขนลงลงทาทีแห่งการเรียนรู้ไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาเลยนะครับไ<ะ>่ะช่ไหมคก็เหมือนเชนรงที<ะ>่ว่า คือรู้รู้เข้าใจแล้วว่าจุดประสงค์ของท่านคืออะไรคือรู้ว่าให้เรารู้สึกตัวแต่รู้สึกว่าเดินรงกลมอกคือโอเคก็คือเราคือทำได้แต่การยกมือนนคะ่ะบางทีมันอยากอ ย, กอยู่เฉยๆคือเราอยู่นิ่งๆทำสมาธิแล้วก็ทบทวนดูตัวเองอคือมันจะใช่แบบ จะดีกว่าจะโยกความใจคือแบบมาขัดใจตัวเองใ like like, like ่ไหมคุณมาขอหน้านแบบนั่งสมาธิได้ไหมดูดูอะไรแตะหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกตัวเองได้ไหมก็มาฝึกขัดใจตัวเองนั่นแหละฝึกขัดใจตัวเองว่ามันไม่ชอบที่มันเป็นยังไงก็เรียนรู้ไปพอถึงสักวันหนึ่งมันจะมันจะเข้าใจสภาพมันนั้นในช่วงของการขัดใจ มันพอเรายกมือเป็นขนาดยิ่งนั่งลมหายใจจัดนิ่งกว่าด้วยพอมายกป๊บวุ้นเลยสภาพอันนี้จะเกิดจะเกิดแต่ลองเรียนรูตัวนี้ให้มันสุดคอสุดรายการลู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่เอาเอาการลองทาตามโปรแกรมดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฝืนไปก่อนก็ได้ลองได้ไห ได่นานก็ไม่เป็นไรก็เปลี่ยนมาเป็นเดินถ้าเดินได้นานกว่าแต่ตัวนั้นนั่งพักให้หายปวดขาก็ยกมงูบ้างหลังจากนั้นก็ม่สลับเดินมันจะเห็นบนในการปฏิบัติไดยเฉพาเวลาเรากลับออกไปสู่ที่บ้านที่ทํางานอาการที่เราเป็นอยู่นี้ไม่ใช่ความมีปกติไม่ใช่ความไมกล้ามากนี่คือบทเรียนที่ต้องเรียนรู้ทุกคนที่ฝึกแล้วจะเป็นอย่างนี้แทบทั้งนั้นไม่ว่าคนทําได้นานหรือไม่ไดนานแต่มันจะมีบทเรียนที่มันไปเรือเ่อยวันนี้เป็นวันที่สี่เท่านั้นเองถ้าเราทําอย่างนี้ไปเรือเ่อย การฝืนทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของการก้าวขามความต้องการตามตนาของเรานั้นลองทําดูนะลองทําดูก่อนอาจากเดินมากหน่อยก็ได้หรือถ้ามันเหนื่อยแล้วจริงๆก็เลิกก็ไดถ้าเรานั่งที่นี่มันสบายสบายมางช่วงนั้นมันจะแช่และที่สําคัญเนี่ยการทําแบบนิ่งๆมันมันจะแอบตายกับชีวิตประจำวันได้ยากมากสาระหลักไม่ใช่เพราะเราจงมาเข้ากวอดจิตวันญะหลังจากนั้นเรากอดบ้านมันจะเป็นการปฏิบติดีเลย เราเดินไปไหนมาไหนมันจะเป็นการดีแล้วจะทําได้ดีลองทําดูหน่อยนะด้วยความฝ <c oughs> ักถ้าหาดีเหก็รูเหมือนกันตอนแล้วลว่าตอนแรกที่เข้าฝังก็คิดว่าแบบเคยทําไปสักชั่วโมงสมมชั่วโมมีท่านมีให้พักในที่เคยเคยทํามานะคะเพราะมันจะรู้สึกดีแต่บบพอมาลองแล้วแบบให้ทํายาวเลยมันแบบอึดอัดมากนะ พว่าที่เคยทําที่ยุตรก็คือสองวันชั่วโมงครึ่งเขาก็ให้พกหักอย่างเงี้ยแล้วก็เสือทำพร้อมการสเสือไม่ได้ข่อยตรงนี้อย่างบางทีก็สับสนเลยค่ะสับสนเรื่องก็เราติดหนอ่อบางทีเราเราทําอย่างเงี้ยยกหนอวางหนอ่อก็มีบ้างค่ะแล้วก็ทําไมถึงไม่มีให้พักรักสิบห้านาที คุยกันหรือไม่ก็ฟังธรรมะอะไรนี่ค่ะแต่ท่ า, าก็คิดว่าพวกเราผ่านระดับปาลูบาลมาหมดเห็นพวกเราที่ทํำนี่นะเพราะว่าพวกนี้ใช่หลักสุดผู้ใหญ่ได้ที่สําคัญกันสุดเนี่ยควรจะต้องเห็นแบบนี้เละเห็นความอึดอัดความวามิ่วนกดแก้มของจิตเห็นตหน้าที่มันทะยานไปทั้งที่มันดิ้นรนอะไรมันยากอะไรมันโอ้โหทำไมปฏิบัติหนักอย่างนี้ มันหนักตรงไหนแค่ยกมือยกกีนเฉยๆคือมันไม่ทำอยากใช่ใช่มันียกใช่มันต้องมันรู้สึกว่ามันมันมันบล็อกตัวเองไหมตรงนี้ตรงนี้เคยมีโยงเขาลูกน้องเขาทำบ้านสรงไทยแล้วเอาลูกน้องเขามาปฏิดแบกเสาทั้งหลังมายกมือสามมันเขารกับแบกเสาดีกว่าเราเข้าใจนะถ้าเราทําอันนี้ยจริงๆเป็นความต้องการที่ให้มันเป็นอย่างนี้นะที่ฝึกแล้วเขย่าคุณให้ปวดปาก ให้รู้สึกหนักให่รู้สึกดิ้นแล้วคุณจะอยู่ตรงนี้ได้แล้วคุณจะข้ามอารมณ์เวลาคุณไปกระทบกับการกับงานแล้วคุณเวลาเพื่อนร่วม ง, งานไม่คข้าใจกันสภาพอื่นแบบนี้ยคุณจะเข้าใจแล้มันจะขังจะวางใจเปลี่ยนนี่คือสิ่งที่ต้องการให้เปลี่ยนด้วยซ้ํำนะที่คุณเป็นเป็ น, ปนดิ้นๆินกันอยู่นี่แต่ถ้าผ่านช่วงที่ไปคุณอดทนทําตามสเต็ปวันที่ห้าที่หกมันจะเริ่มเพียมันจะเริ่มคลายมันมีอยู่แต่มันจะคนละส่วนแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องที่แสดงเหตุผลให้คุณฟังไม่ไม่ได้ มันต้องลงมือทำจะเข้าใจในสิ่งที่เป็นไหมเบรสตนเองบ้างก็ได้นี่ทำนั่งๆั่อ้อมเต็มทีแล้วกันนาฬิกาทำสบายใอยู่เฉยมันก็มันก็แบบมัน่าจะมีธรรมะให้เราฟังบ้างเนาะหรือว่าไม่รู้หรือว่ากำลังฟังธรรมะอยู่นะเบื่อที่มันสแสดงนั่นแหะคือธรรมะ ไอสิ่งที่พูดในฝั่งคือชื่อของธรรมะนะเข้าใจไหมเบือ่อเบื่อนี่เป็นภาวะของตังหะเราเข้าใจมัน ไ, ได้ยั้ไงไเรียนรู้ไปนะแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนบ้างจากสลับบ้างนี่เป็นจิทธิของเรานะจิติของเราไก็คืออย่างที่เจมพูดเลย เข้าใจแล้วเราก็ก่อนหน้านี้ที่ที่ทำมาอย่เด็กๆทุกวันเนี่ยไม่ทราบว่าอันนี้เขาเรียกว่าสติแต่เวราจะทานหรือว่าแรนควันหรือว่าทาอะไรก็ตามเนี่ยคือดึงตัวเองดูแล้วก็เลยพอมาทําอันนี้รู้สึกว่ามันปวดอัดคือจะได้เวลาอยากเอาเวลาไปทําอื่นอื่นหรือคือคือที่แม่ไี่มาเนี่ยเพราะว่า ว่าเี่ยเวลาเสียใจจะได้ดึงตัรเงขึ้นมาได้แต่ครังที่เรืเ่องเสียใจโดดเนี่ยก็ไม่เคยปล่อยไปนานแ้วจะดึงตัวเองขึ้นได้คือไม่ได้บอกว่าเป็นหนักโดนแก้วหรือว่าเส้นแก้วนะคะถ้าเกิ่เออคือเข้าใจแล้วว่าว่าว่ามันคืออะไรพอเข้าใจวิธีการทํางานของมัวิธีการานึ่งตัวเองออกมาหรือวิธีกา ร, ออการโม่ก็เลก็เลยดีที่สุดในาอันนี้ยาก คือเหมือนกับว่าตอนนี้ถูกให้เขียนเส้นปลากรไก์ตามเส้นปลักอยู่แต่ว่าเขียนก็ากรได้แล้วจะเขียนได้ไม่เห็นพอน้องผูอีแต่ตอนนี้ก็เลยเขียนเส้นปลากไรอยู่อีกรอบหนึ่งมันไี่เขียนไดปยาก็เลยรู้สึกว่ามันเบืออค่ะถ้ามันเขียนปลากรได้ภาว่าเบือเนี่มันจะหยู่แล้วมันทันที แต่ก็คือเวลาเบื่อกอ็นั่นงอยู่ว่าเออเบื่อก็ดึขึน้นมาพอพอรู้ว่าจะกับไปคือคือคือเราก็คิดเป็นทั้งหน้าเลยแบบแต่ไปก่อน ว, อว่าวนเออเดี๋ยวรู้ว่านั่งงี้เดี๋ยวก็เปื่ออีกแต่รู้ว่ า, าให้เป็นนั่งก็นั่งได้แต่ถามว่าถาใจไว้อย่างนี้พอไปนั่งก็ก็อยู่ได้ค่ะลองท <c oughs> ํำดูคือเรื่องของความเข้าใจจากการสรูบโดยการสัมผัส บ, บางากับประสบการณ์ที่มันสัมผัสอย่างลึกซึ้งมันจะมความแตกต่างกัน จตกันอันนั้นการที่เราฝึกรู้สึกตัวเขียนความเบื่อเกิดตับเกิดตับเกิดตับจนเราสามารถอยู่เนื้อความเบื่อได้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่เนื้อได้ด้วยความเข้าใจหลายคนก็คิดแม้แต่ตอนแต่ก่อ น, นอ๋อรู้แล้วว่าอ๋อจริงๆคือเดินไปไหนก็รู้สึกตัวเคลื่อนไหวอะไรก็รู้สึกตัว เือนในเมื่อมันขึ้นไหวอยู่แล้วไม่เห็นจะเป็นจะต้องยกมือเราสามารถกลับไปบ้านแล้วก็ไปประยุกต์ได้เลยแค่รับหลักการไปทําคิดอย่างนี้ก็ถูกนะแต่เท่านั้นได้ซ้อมไปถึงระดับหนึ่งเนะี่ยการประยุกต์อย่างนั้นจะง่ายแต่ถ้าเราไม่ผ่านการซ้อมความเข้าใจที่ถูกต้องลนะ่ะมันไม่ ผ, ผ่านประสบการณ์นะอีกสั่นมันก็ลืมมันก็ลืมมันก็จะประยุกต์ไม่ก็ได้แต่ลองลองทํำดูนะอือีกอีกี่วันเท่นี้ สี่มาครับสี่สมพันขึ้นอีกสามพันพ่อทำไมนานจังนานส่วนตัวผมเข้าใจที่อาจารย์พูดก็คือเหมือนเหมือนไม่ว่าจะครูบาอาจารย์ของอาจารย์หรือว่าตัวพระอาจารย์ก็ดีเหมือนจะทําวิจัยมาแล้วว่าควรจะทําซ้ําๆซ้าๆอันนี้ผมเข้าใจเพราะว่าเหมือนจะเป็นการ มันจะย้ำย้ำย้ำย้ำสัญชาตญาณเราให้คอยทพิจิกลับไปที่สัญชาตญาณอาจารย์ก็ต้อคอยกลับดึงสติกลับมาแล้วก็ให้ทําไปเถอะแล้วก็จะรู้ว่าจะลึกได้ในวันหนึ่งว่าเออการทําอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเข้าใจว่าทางทางทางทาพระอาจารย์จะพยายามให้ทำเพราะว่ามันได้ผลกับทุกคนเข้าใจแต่ว่า ในความเข้าใจนั้นนะ่ะมันก็จะมีเหตุผลหลากหลายที่จะทําให้เกิดว่ามันจะนั่งน่งไม่ได้นานเพราะว่าอย่างเช่นผมผมผมนั่งอยู่อย่างเช่นเมื่อวานก็มีน้องๆขำน้องๆครูขำก็อย่างเช่นผมนั่งสู้กับความง่วงเนี่ยสักสามสี่ครั้งแล้วแต่ผมเป็นคนไม่นั่งหลับอยู่แล้วแต่ก็เลยตัดสินใจลุกไปอาบน้ําแล้วก็กจำมาทําก็คิดว่าดีกว่าแต่ว่า พวกน้องๆกัคือตอนนี้ผมกาลังป้ายเฉยกับเพราะว่าน้องๆเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่มันมันไม่ใช่มันเป็นการอู้มากกว่าแต่ว่าแต่สาหรับผมมันใช่ใช่หัได้คิดผิดหรือเปล่าูกอไรบ้างผูกนี่คือคิดผิดใช่ไหมหรือไงไมออกม่มันมันมันแบบพอตกลง่าโอเคมาวัีจบไม่ต้องเาทิ้กันแล้ว ใช่เนี่ยไม่ต้องสาทีกันแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่าคือปกติทีแม่จไปคือเขาแทนว่าคือจะปทีน่าจะไปเรียนสเขาเลยบอกว่าก็เ่ยเวลาพีกเนี่ย้องกทีเดียวไม่้อห้ถ้าเจอแล้ววันนั้นไม่เดียวเรานึงจะเ่ิดเวลาเรากำลังเจ้การสิ่งที่เป็นไปได้มันไม่ทุกข้อเวลาไปท้าไปเลยนะใช่แต่มาเทปต้องเข้าด้านข่าวก่อนนะคุณจะไม่ยอมพวงให้มันนาน ย่มให้คนนั้นอมใหจะแพ่เห็นข้อดีของมันไหมต้องยีก่อนคนคนสามสามสี่คนที่ตอบไปก่อนแพ่เห็นข้อดีของมันแต่ว่าแพ่ต้องถามแพร่ก่อนถึงคนยีจะไดีเห็น หนูรู้สึกก็คืองอไม่ขาดกานาฬิกาปกแล้วปกติก็คือก็แข่งทอนใหไม่ได้นาฬิกาดับกล้องก็หนูขึ้นมาร็จาแต่ว่าคือไม่มาฟังฟ้าฟ้าก็จะตดให้มันดับอ่ะคือเรารูว่าอ๋อแค่แค่ดูนาฬิกานค่แค่ดูนาฬิกแก่ก็โง่ต้องงวงมากๆเดินต้องง่วงนั่งต้ยแล้วก็เดินข้าไเป็น น, นี่ในค้องสิบห้าเลยวันสดชื่นเยอะยใช้ใชกอาบน้าบ่อนะแต่ว่ า, า, า, าแต่ว่าอาบน้ำไม่ได้ไม่ได้ทำตามที่ต้องการ<ม>ตามทาตามที่ร่าไกยเรืองอ้อสิเรื่องอ้อนแต่ว่าพอพอเข้าไปนี่ก็เดินออกมาเนี่ยคือมันทำต่อได้อย่างโลกแล้วก็อันนี้นี่ แต่อี็กแล้วี่งมาลแลนเลยก็เคิดรา่ลาเราก็รู้สึกว่าสืนมากแล้วก็ทำต่อได้อีงเย็นโดยที่แบบไม่ไม่ไม่เ็อะไรคือไม่งวออีกไม่มีงวออีกแล้วถึงง้อรังนั้นเขาเรียกจบง้อเวลางวอเนี่ยสังเกตมาสองวันที่ผ่านมาง้อเนี่ยมันก็จะง้อเป็นหย่องหย่แต่นี้นึ่งงทีเดียววก็ไหนลุกขึ้นไป่นอนเฟสก็เดินไปนอนสิตั้งนาฬิกาปลุกไว้เดิบห้นาทีแล้วก็สิบห้านาทีจินออกมา แล้มนกไม่งกเฟยับหล่าสนิทลหลับง่าหลเลยสนิเลยครัเพราะว่าสิงท่านเียตื่นขึ้ารู้สึกกเหมือนจะบโอ้โหนอนแบบนคุณจะเอกยังไ้นะ40ปุ๊บเปลี่ยนไปเรื่อยเร่ยเราแค่รู่ทั้งวก็จะเอาทุกวันทุกวันกับเราฟังทัั้ง แล้นมมันไม่มีนนทางการับประนอีกครเราค่คืออันนี้ก็เข้าขั้นไปนิดนึงเพราะว่ามีหลายสำนักเขาก็ได้ทำการวิจัยมาแล้วว่าทุกจุกบะเนี่ยเราหลักแค่สท้ายหมันจะเป็นตดีกับสมองด้วยมันนั้นหลัง้ากกรรมฐานนี้ใช่แต่ปรด็นคือคือหลังกั่นเที่ยงเนะ่ค่ะมันจทั้งกระบอกให้ ทัานนังมมากๆเราเราเคยเรียนด้วยพระพาน่ไหถ้าคิดว่าโสดาบันแล้วโม่งมันเคยยนใช่ไงนั่งปฏิบัติมท่านปฏิบัติเกบพอธรรมท่านรรลุธรรมไหมแล้วต้องมาบวชพระสารีบุตยบอกพอมวท่านสอมาพมาปฏิบัติาเป็นโสดาบันนะ่ั่โมต้องแตกรตอปนนโมยื้มท่าน่งพรเจ้าไปบอกวาถ้าเราโม่งแค่ทนเดินถ้เดินที่ไมงแค่หาอะไรมาว สมมติเขาตั้งตั้งอะไรต้งอะไรต้งอะไรตั้งอะไปตั้งอะไรูั้งอะไรต้งอรังอะไรั้งอะไรตั้งอะไรั้งอะไรตั้งอะไั้อะไรตั้งอะไรตั้งอะไรตั้ยรั้งไม่รตั้งอะไรตั้งอะไรตั้งอะั้งอะไรตั้งอะแรตั้งอะไรตังอะไรตั้งอไรั้งอะไรั้งอะตั้งอะไรั้งอาไั้อะไั้เอาไรสั่งอะเอาขรตั้อะค่้อะไตั้งอะว่าถ้ามรั้งรตั้งอบไรตอะไรตะ ก็ว่นอย่างนั้นก็ไม่หลับน็ไมดแล้วจะไได้ยเนเื่องอาการที่มาดูคุณจะทันแน้นรอเราป็นอะไรไปอนทางเกอะไรอยากเป็นยังไงที่แก้ปัญหาที่เทียค่ะก็คือถ้าเบื่อคือมันก็ได้ม่วนะคะคือเบื่อแต่จิตใจมันอยู่ที่ห้องนอนก็เลเดินไปที่ห้องไปนอนอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่ได้หลับนะขอนอนแป๊บคือนอนค่ะ ไป่ะนมันก็เดินกลับมาผิดเยได้ทาได้ไม่ผิดไม่ค่อยแยกครนะไม่อิี่ไหนแยกใครรับใคที่ทไม่ได้คะระวังด้วนั่งดีที่ตะกหลบเลยนั่งหลับไปเลยก็ว่าทารก็เลยกลยนแยกรที่สาการได้เลยับทั้งเรื ไม่ได้คิดว่าท่านจะยุ่อะไรเลยเนี่ยก็าปล่อยให้หลับตอนเดี๋ยวก็ตื่นดล้นี่ดีขอภาวติกรรมภาดวันแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่่นจะยงรให้หลับไม่ต่เดี๋ยวจไม่ตื่นก็หลับไหแกตื่นไปน่ี่นหลับเรับหลอยู่อ๋อน่าหลับไม่ตือ้ยยยยยยยยยย ตายชั่วโรงหนึ่ง แ, แต่ผมก็เปเหมือนแทนไม่ผ่านไม่ได้เหมือนกันนะอย่างเมื่อวานผมมึนหัวต้องไปอาบน้าสู้มันมันก็ปกติจดคือถ้าอนลงง่วงอ่ะมันด้วยด้วยด้วยหุ่นด้วยอะไรด้วยภาระผมว่าฮะที่แกพอนไม่ใช่ไม่ใช่บคนรับรสาห ร, ร, ร, รับผมกริหรผมสำหรับผมคิดว่ามันมีส่วนเพราะว่าคิดบางทีก็คิดว่านอน เชั่วโมงหรือแปดชั่วโมงก็ น, น่าจะพอแล้วสิบางทีบางวันมันก็ไม่พอมันมันไม่โล่ง <c oughs> ไม่ใช่จะคุณนะคุณอาจจะไม่เราเี่แเขบอกแล้วไม่บอกุณรู้อย่นะแต่มันไม่รู้กนรไม่บอกกรากรก็รู้กดรู้กดนก็รู้อายมยงไม่ได้อยู่ตรงนะี้เามีวิธีการให้มันเก็โยมฝรั่งของคนทู้ใดผูนนัโดยเฉพาะอตจะนั่งจะมาจ้ขของ ก็ละสิละลางไปเขาบอเป็นมองไม่เอ่พี่ไม่พี่ไม่เคยยกมือเพื่อเอาด้าเลยนะก็เดินลาพี่ก็ไม่ทำปะหึือถ้าจะคิดจะไม่ทำก็ถือที่ยังไม่ทำก็โดนไม่ก็ไม่ไป็นไรพี่เห็นที่สังเกตเห็นพวกเราเวลาพระอาจารย์เดินผ่านเราเลยพระอาจารย์เดินอ้อมหลังนี่ยกกันใหญ่เลยทําไปเพื่ออะไรก็เคยโดนมานรอบมันก็ได้ เด็กวัน่ไม่เก่งใหญ่ลิลิลิลิดิลิลเลิลิลิลิลิลิลิลิลิลิลิลิลิลิลิิลิลิลิิลิลิลิิลิลิลนลิลิลิิลิิลิลิลิลิลมลิลิลิลิลลิลิลิลิลิิลิลลิลิลิลิาิลิลิลิลิลิลิลิลิลิลิ่ิลิลิลิลิลิลิลิลลิลลลิิล เริ่มมองอีกอย่างว่าอาจารย์ผมมองมองไปเนี่ยจะมองในสักเดียวแต่ถ้าป้อตายเดียวกันแลทำไดหลายลายก็ไม่ขออีกาไม่จกเขาเคยทำ้าไม่ไไม่ต้องขออีกไม่มีใครขออีกทำให้เรา่หิวตอนเย็นพติ๊กอกพวกคุณเราเรไตกลงกันข้อผดมาทุกวันเล้วถามว่าอาจารย์เสื่อจิ๊บกับจิดบชอบยุติเกาอดีตมากเลยยแล้วก็ อนาคตในบางทีปัจจุบันไม่ค่อยจะหาเท่าไหร่จะวิธีแก้เอดีตกคตเออใช่ติดกับอดีตกลัวอนาคตอ้าวมันก็หายได้แเดียวแหละันี่ไงนี่นี่อนีเกกอนาคตอจะอนาคตไไดีเท่าไหร่ก็ให้แก้ปัญหาได้ดีมันก็มีของวได้